ปัญญาคือวิชาความรู้มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกหรือความรู้ทางโลกเป็นความรู้ที่จะมาสนับสนุนรับใช้ กิเลสตัณหาตัวที่เป็นข้าศึกศัตรูร้ายกาจที่สุดของพวกเราเพราะกิเลสตัณหาเป็นผู้สร้างความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับพวกเราคือทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ในไตรพบนี่เองวิชาความรู้ทางโลกที่เราเรียนกันถึงระดับปริญญาเอกมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายกันนั่นเองแล้วก็พอได้ลาบยศสรรเสริญความสุขทาง รูปเสียงกลิ่นรสมาก็ต้องมาทุกกับลาบยศสรรเริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสที่หามาได้เพราะว่าเมื่อได้มาย่อมมีความรักมีความหวงก็จะเกิดความหวงความวิตกความกังวลเกิดความเสียใจขึ้นมา เพราะว่าลาบยศสะรเสริญลารูปเสียงกิจลดผลตภะนี้เป็นของไม่แน่นอนนั่นเองเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มาก็อาจจะเสียไปได้หรือได้มาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปจากดีกลายเป็นไม่ดีนี่แหละเป็นลูกโซในการ ที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับเราทุกในขณะที่เราหามาได้ทุกในขณะที่หามันเวลาจะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องเด้นลนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆพอได้มาก็ต้องมาดูแลรักษาป้องกันไม่ให้มันจากเราไป แล้วดูแลอย่างไรดีมากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายแล้วนอกจากนั้นพอตายไปแล้วความอยากได้ราบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกิริลดมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันอยู่คู่กับจิตใจที่ไม่ตายแล้วก็เป็นตัวที่ดึงให้จิตใจต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่โดยการมาศึกษาวิชาความรู้ทางโลกกันเนี่ยพวกเราถ้าลองนั่งวิเคราะห์กันสักหน่อยแล้วเนี่ย เรื่รานี้โง่มากสองลูกไปเรียนหนังสือกันโดยคิดว่าจะเป็นการหาความสุขให้กับลูกเพื่อให้กับตัวเราที่ไหนได้กับเป็นการไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวหล่งนี้เลย อยาคิดว่าโอ๊ยยิ่งเรียนยิ่งสูงยิ่งดีออกมาจะได้เงินเดือนมากขึ้นสูงขึ้นมีรายได้มากขึ้นมีเงินทองมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นได้รับรางวัลต่างๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากเที่ยวได้ดูภาพยนตร์ที่อยากดูได้ฟังเพลงที่อยากฟัง ได้อยากได้อะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ขอให้มีเงินทองสักอย่างซื้อได้หมดแล้วเป็นยังไงพอได้มาแล้วดีใจตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วทีนี้ก็ต้องคอยเป็นยามเฝ้ามันลเลยเฝ้าสมบัติกันต้องคอยหามาตรการป้องกันคุ้มครองรักษา ต่างๆเอาไปฝากธนาคารก็ไม่แน่ใจว่าธนาคารจะจะล้มหรือไม่ล้มเดีย๋ยวนี้ไม่มีการรับประกันเงินฝากเกินหนึ่งล้านบาทมากกว่านั้นเขาไม่รับประกันเห็นไหมเขาบอกไม่แน่นอนนะเงินฝากที่ฝากนี้มีวันที่จะต้องสูญหายได้ เพราะระบบเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนเนี่ยเราคงเคยได้ยินอตอนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินล้มห้าสิบกว่าสถาบันเลยนงนั้นยังมีรัฐบาลมาอุ้มเนยะก็ยังพอไม่ทำให้เสียหายมากแต่ตอนนี้ถ้าล้มก็ล้มไปเลยนะ การมีร้อยล้านพันล้านฝากอยู่ในธนาคารก็ธนาคารมันล้มขึ้นมาก็บายบายอ่าจริงจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวอาจจะได้ยินข่าวใหญ่ข่าวดังขึ้นมาแล้วแวนี้ก็ได้ดูพวกที่รวยๆจะปวดหัวไหมเนี่ยอ่านี่พูดแสดงแสดงความจริงให้ฟังอ่อ เงินทองมันไม่ใช่สุกนะมันทุกนะมันสุขตอนที่ได้มานะล้วตอนที่ได้ใช้มันนะแต่พอมันหมดเนะีะมันทุกเลยหรือนะเวลาไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่กับเราเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ่ถ้ามีข่าวไม่ดีออกมาสักนิดเดียวเลยว่าธนาคารนี้จกจะมีปัญหานะมีเกิฑ์เหม็นๆออกมา ทีนี้เดี๋ยวแห่กันไปแย่งถอนยิ่งสมัยนี้ถอนผ่านทางทางมือถือได้ ATM ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องปิดธนาคารเพราะไม่มีงานให้เบิกให้ถอนเนี่ยแหละพวกเรากำลังหลงทางกันหนลงคิดว่าการไปเรียนหนังสือ ไปมีวิชาความรู้แล้วจะได้มีความสามารถไปหาเงินหาทองกันแตไม่รู้ว่าพอได้เงินทองมาคิดว่าจะได้สุขมันทำไมกลับต้องมาทุกข์กับเงินทองต้องมาวิตกมากังวลมาห่วงใยแล้วบางคนก็มาเสียดายเสียใจเวลาถูกหลอกไป นี่คือความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้มันไม่เอามาเพื่อมาทำลายกิเลสตัณหามันเอามาเพื่อสนับสนุนตอบสนองความอยากความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นอยากเลําอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตนี่ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่เชื่อดจิตใจของเราให้กินไม่ได้นอนไม่หลับให้ทุกข์ทรมานนี่แหละคือความจริงของความรู้ทางโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาแขนงไหนก็ตา ม, มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ บัญชีวิศวกรรมศาสตร์แพทยาศาสตร์พยาบาลไม่ว่าวิชาไหนทั้งนั้นมีไว้เพื่อไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันทั้งนั้นใช่ไหมเป็นหมอจบเป็นหมอแล้วยังไม่พอต้องไปเป็นบอร์ดเป็นอะไรอีกต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกเพื่อที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง แตื่ที่จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกมากเห็นไหมเพราะต้องมาคอยกังวนลนะแล้วอาศัยมันก็ยิ่งทำให้พิการมากขึ้นด้วยพอาขาดมันไปนั่นเดือดร้อนลำบากคนที่ไม่อาศัยมันไม่เดือดร้อนเนีย่ยพวกขอทานนี่ไม่เดือดร้อนธนาคารลมมันเฉยเฉยไม่รู้สึกมันไม่เกิดความเดือดร้อน แต่คนที่เดือดร้อนค่าตัวตายนี่มีมากใช่ไหมไม่เชื่อลองมีข่าวธนาคารล้มมาสักอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องมีข่าวค่าตัวตายกันตามมายาวเลยเพราะว่ามันเป็นลูกโซ่คนนี้ยืมคนนั้นคนนั้นมายืมคนนี้ค้ำกันไปค้ำกันมาพอไอ้ที่ที่ตัวค้ำใหญ่มันล้มนี่มันก็ล้มกันไปหมด แล้วจะมีข่าวฆ่าตัวตายกันพนักงานตกงานกันเห็นไหล ง, ลงธนาคารล้มไปสักอันเนี่ยพนักงานนี้ตกงานกันพอไม่มีงานทำก็เดือดร้อนนะแต่ทาไมขอทานเขาไม่เดือดร้อนนะ่ะขอทานเขาก็ไม่มีงานทำเขาก็ไม่มีเงินอย่างเรา เขาก็นั่งขอทานของเขไปเขาก็อยู่ของเขาไดไ้แล้วทำไมเราไปเป็นขอทานมังไม่ได้ถ้าเกิดเราตกงานตกการเกิดเราสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปก็ไปเป็นขอทานได้ทาไมไม่มีสังวรลิกสิทธิ์ไม่ให้นะแล้ <laughs> <laughs> ไปข้าตัวตายทำไม <laughs> เพราะติดสุขติดสบาย ของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพอมันไปเสพพวกนี้แล้วมันติดมันติดยาเสพติดพอมันไม่มีให้เสพ้วทีนี้โอ้โหมันจะตายให้ได้จะลงแดงเขาเรียกความจริงอยู่ได้ต่อให้ธนาคารล้มต่อให้สิ้นเนื้อประดาตัวก็มีข่าวบางคนที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ใช่ไหเสียอะไรเนี่ยที่ขายแ ซ, แซนวิชอะไรเนี่ย เ, เขาหมดเนื้อหมดตัวแต่เขาก็ไม่หมดกําลังใจเขาไม่หมดปัญญาเขาก็สู้ต่อไป เ, ออเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ฟื้นเขาก็ไม่ตายเขาก็ไม่ฆ่าตัวตาย เ, เขาก็อยู่ได้ถ้าขอทานอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่กันไม่ได้ก็กลับไปปลูกผักปลูกหญ้ากิกนเงินไปตามมีตามเกิด ใช่อยู่ใต้สะพานอยู่โคนไม้อยู่แบบพระพุทธเจ้าเห็นอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเลือนล้างอยู่ตามป่าชา้านี่คือวาด้าไม่เห็นว่า น, นี่แหละความรู้ทางโลกเป็นอย่างนี้มันนำพาไปสู่ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจกับทุกคนทุกคนที่มีมากหรือมีน้อยนี่ทุกข์ใจเหมือนกัน ทุกมากทุกน้อยก็อยู่ที่มีมากมีน้อยทุกมีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยนี่คือความรู้ทางโลกที่เราหลงกันพยายามไปเรียนกันพยายามสร้างโรงเรียนกันขึ้นมาเห็นไหมเดี๋ยวนี้แถวพัทยานี่โรงเรียนเยอะไะยะเป็นหมดโรงเรียนเอกนชนเอปิดเพื่อให้เด็กมาเรียนหนังสือ เพื่อต่อไปจะได้มีวิชาความรู้จะได้เอาไปทํามาหากินไปตอบสนองกิเลสตัณหาของตนอถ้าคิดไม่ลึกนะก็จะคิดว่านี่แหละคือชีวิตดีเรียนจบได้อาชีพที่ดีเห็นไหมทุกคนอยากจะสอบเป็นหมอกันเราไปถามหมอเลยพอเป็นแล้วตันี้อยากจะไปเป็นอะไรอยากจะเป็นขอทานอยากจะไปบวช พอรู้สึกว่ามีแล้วมันวุ่นวายเห็นพระแล้วเนะี่ยท่านไมท่านสบายใจท่านไม่บวุ่นวายอะไรกับใครท่นพระนี่ก็อยู่แบบขอทานเช้ชาก็ไปขอทานบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดกินแล้วก็พอมื้อเดียวก็พอแล้วท่านก็อยู่กับความไม่มีนั้นสบายกว่า มาศึกษาวิชาความรู้ทางธรรมเพื่อมากำจัดกิเลสตัณหากันดีกว่าเพราะวิชาความรู้ทางธรรมนี่เป็นวิชาที่เอามาใช้กับการฆ่ากิเลสตัณหาไม่มีศัตรูอันไหนที่จะร้ายแรงยิ่งกว่าศัตรูคือกิเลสตัณหาคนอื่นเขาทำได้อย่างมากก็เอาทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองเราไป แต่ที่เสียใจนี้ไม่ได้เสียใจเพราะคนเอาทรัพย์สมบัติไปเสียใจเพราะกิเลสกิเลสอยากจะฆ่ามันนี่เสียใจถูกหลอกอันนี้ไม่ใช่คนที่ขโมยเงินทองเราไปที่ทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับที่ทำให้เราอาคาดไยาบาตรจองเวรจองกรรมคือกิเลสตัณหาของเรานี่ความโกรธแค้นโกรกเครื่อง ที่ถูกหลอกหลงเชื่อใครแล้วแหมพอถูกหลอกนี่โอยมันปวดเล้าไปทั่วสภาังใจคนที่เราเชื่อถือนับถือไว้ใจแล้วกลับมาทาร้ า, ายเรานี่โอ้ยมันสุดแสนที่จะทุกข์ใจแต่มันไม่ได้เกิดจากเขานะเกิดจากใจของเราที่ไปอาฆาตพยาบาท ไปโกรธไปเกลียดเขาเองความโกรธความเกลียดความมาคาดพยาบาทก็คือกิเลสตัณหานี่เองอถึงบอกว่าไม่มีอะไรจะร้ายกาศเท่ากับกิเลสตัณหาไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าศึกศัตรูร้ายกาศเท่ากับกิเลสตัณหาที่เราอุตส่าห์เชิญมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็มาเลี้ยงมันดูมันอย่างดีรับใช้มันมันเป็นเหมือนเจ้านายเราห มันสั่งให้ไปเอารูปก็ไปเอาสั่งให้ไปเอาเสียงก็ไปเอานะสั่งให้เปิดมือถือก็เปิดสั่งให้ส่งข้อความก็ส่งเนี่ยเราเป็นคนรับใช้กิเลสตัณหารับใช้ข้าศึกษัตรูของเราแล้วพอมันทิ่มแทงเราเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ จึงมีทางรู้ทางธรรมเกิดขึ้นมาเกิดจากคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ของพระองค์นี่มันไม่ได้เกิดจากใครนะมันเกิดจากกิเลสตัณหาของพระองค์เองจึงค้นค้าหาวิชาที่จะมาทําลายกิเลสตัณหา จนในที่สุดก็ทรงตัดสร่งทรงค้นพบวิชาความรู้ที่จะนำมากําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปแล้วก็สามารถกําจัดได้ตามที่ปรารถนากิเลสตัณหาที่เคยมีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าในหายไปหมดถ้าเป็นโครคภัยแค่เจ็บในร่างกายก็หายไปหมด ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามโรคหวัดก็ไม่เป็นโรคปวดท้องก็ไม่เป็นโรคปวดศีรษะก็ไม่เป็นโรคมะเร็งก็ไม่เป็นโรคความดันก็ไม่เป็นไม่มีโรคอะไรอย่าน้ดีไหมในร่างกายในหละจิตใจของเราก็มีโรคต่างๆนา่นาโรคทุกทรมานใจชนิดต่างๆ มันมเกิดจากกิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนตัวเชื้อโลกที่พระพุทธเจ้าสงคนพบยามาทำลายสงค้นพบธรรมโอสถก็คือปัญญาทางทางธรรมนี่ความรู้ทางธรรมที่จะนำมากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้ทรงหมดสิ้นไป แต่การที่จะได้รู้ความความรู้ทางธรรมนี้ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตหรือสร้างความรู้ทางธรรมขึ้นมา mm. เหมือนกับความรู้ทางโลกก็ต้องมีโรงเรียนมีครูมีอาจารย์มีตำราให้เด็กนักเรียนได้ไปเรียนรู้พอได้เรียนรู้ก็จะได้ความรู้ทางโลก เอามาใช้ในการรับใช้กิเลสตัณหาแต่ความรู้ทางธรรมนี้ได้มาแล้วก็จะเอามาใช้ในการทําลายกิเลสตัณหาข้าศึกศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของพวกเราที่มันมาในรูปของมิตรหรือในรูปของเจ้านายหรือในรูปของคนรับใช้ก็แล้วแต่เราจะมองมันบางที่เราก็อาจจะมองว่ากิเลสตัณหาเป็นตัวรับใช้เรา เป็นตัวที่สรรหาสิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ตอนนี้มันก็เป็นผู้พาเราไปหามาต้องอยากได้เงินก่อนกิเลสต้องออกมานำทางอยากได้เงินก็ไปเรียนหนังสือเรียนจบหนังสือก็ไปทำงานทำการก็ได้เงินมาอยากได้ตำแหน่งพอมีเงินก็เอาเงินไปซื้อตำแหน่งได้สมัยนี้คนมีเงิน ไม่มีเงินไปลงเลือกตั้งได้ไหมประชาธิปไตยจริงมันต้องคนไม่มีเงินก็ต้องลงเลือกตั้งได้ไ ม, มันไม่มันกลายเป็นเรื่องของคนมีเงินนะดูคนที่มีเงินถึงจะเข้าไปเล่นการเมืองได้ไพอเล่นการเมืองมันก็กรอบโกยยิ่งมากขึ้นไ ม, ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปกรอบโกยเงินทองแต่เวลาหาเสียงก็โอ้โฆษณาเด็ดเดียวดีไปหมด มาทําเพื่อประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้พอเข้าไปในสภาแล้วก็หันหน้ากลับมาหาประชาชนไหมก็ออกมาหาแบบตอนที่หาเสียงเลือกตั้งไหมออกมาทุกวันเออตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วต้องไปรีบกอบโกยแต่ไม่ได้บอกว่ากอบโกยว่าไปรีบทําหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนไปช่วยในสภาเนีไปช่วยเซ็นชื่อ แล้วเงินมันไปไหนเงินมันไปที่ประชาชนหรือเปล่าไปวงเละประชาชนบางคนไม่ไปทุกคนนะนี่คือวิชาความรู้ทางโลกมันจะไปส่งเสริมค่าศึกสัตว์คือกิเลสตัณหาอที่เราไม่ฉลาดเราก็จะคิดว่า คนเราถ้าไม่มีความอยากเราจะรวยได้ยังไงใช่ไหมถ้าไม่อยากเราจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ยังไงถ้าไม่อยากเราจะอได้รางวีรางวัลอะไรต่างๆได้ยังไงต้องมีความอยากถึงจะไปได้เห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหยมันทําให้เราเห็นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นสัตว์ตัวกลับไปเห็นว่ามันเป็นเมตซ์เอกเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่นําความสุขมาให้กับเรา ถ้าไม่มีอยากไม่อยากมีแฟนจะมีแฟนได้แล้วเป่แต่ไม่ได้มองว่าเวลาได้มาแล้วทุกตีกับแฟนเป็นคู่โชคกันเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนพามาให้เราก็กิเลสตัณหาเนี่แหละแต่เวลามันมาโฆษณาบอกเรามันบอกว่าจะหาความสุขมาให้หาแฟนแล้วจะมีความสุข แต่ไม่ได้บอกว่าพออยู่กับแฟนแล้วเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันก็กลายเป็นเวทีขึ้นมากลายเป็นสนามชกขึ้นมาเลยะบางคนนี่ถึงกับตาเขียวเลือดออกอ่มีนัาญาติโยมบางคนถ่ายรูปมาให้ดูเลยเวลาถูกทุบตีเนี่ยเราบอกเราทำไม เราบอกตั้งแต่ต้นว่าอย่าไปมีไม่เชื่อแล้วพอไปมีมาแล้วก็พอโดนเข้าก็มาปรับทุกข์นี่แหละไม่เชื่อไม่เชื่อธรรมะไม่เชื่อไม่เชื่อความรู้ทางธรรมไปเชื่อความรู้ทางโลกว่าเอายได้มาแล้วจะมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้ เห็นดูหนังเขาเวลาพระเอกเจอนางเอกอยู่กันไปตลอดไม่เคยเห็นภาคสองดูแต่ภาคหนึ่งดูตอนที่พระเอกได้พบได้ได้พบกันได้รักกันได้แต่งงานกันแต่ไม่ได้ดูภาคสองภาคสามภาคที่มีการทะเลาะเบาแหวงกันมีการตบตีกัน แล้วก็มีภาคที่จะต้องหย่ากันไปหรือถ้าไม่หย่ากันไปก็ตายจากกันไปน้อ ง, องห่มน้องห่ายภาคที่สองที่สามนี้เขาไม่ฉายให้ดูเพราะไม่คนไม่อยากดูหนังเศร้าชอบดูหนังสุขกันดูหนังสุขแล้วมันมีความสุขดูหนังเศร้าแล้วมันเศร้าตามเลยไม่มีใครอยากจะดูกัน เนี่ยคนจึงไม่ชอบความรู้ทางธรรมะทางเพราะความรู้ทางธรรมมันทําให้เศร้าพอาบอกว่าไม่เที่ยงให้นี้ก็เศร้าเข้าไปแล้วเพอบอกว่าทุกข์อันนี้ก็ไม่ไม่อยากจะฟังนะชอบความรู้ทางโลกโอ้ยจบแล้วจะได้ไปหาเงินได้มีเงินมีทองอยากซื้ออะไรซื้อรถซื้อคอนโดซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้า ซื้ออะไรเนี่ยโทรศัพท์ ร, รุ่นใหม่ออกมากี่รุ่นเปลี่ยนมันได้ทุกรุ่นอ่ามันมันจะเห็นอย่างนั้นความรู้ทางโลกมันเป็นความรู้ที่เหมือนกับน้ําตาลเหมือนล่อมดเนี่ยใครก็อยากได้ความรู้ทางโลกนะอแข่งขันเรียนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยอย่างมัธยมเดี๋ยวนี้ต้องหวังมาเรียนพิเศษต่อนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเกรดไม่ดี เดี๋ยวจะแข่งขันสมัครเข้ามาหาลัยไม่ได้มีเด็กที่เราต้องคอยสนับสนุนมาขอค่าเรียนพิเศษนะเอาเขาอยากจะเรียนขยันเรียนก็ช่วยเขาไปเรียนเรียนธรรมดาแล้วไม่พอเพราะครูสอนเด็กหลายสิบคนสอนอาจจะไม่ละเอียดไม่ชัดเจนเลยต้องออกมาเรียนพิเศษซ้าอกีก คิดว่าได้ความรู้แล้วก็จะได้สบายยิงอยู่มันสบายทางร่างกายแต่ทางจิตใจมันกับไม่สบายมันกลับทำให้เครียดทุกขั้นตอนไปเลยเครียดตั้งแต่การเรียนการสอบการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆและเวลาไม่ได้ก็เสียใจเด็กบางคนถ้าไม่คอยสอนว่า ก็อาจจะคิดค่าตัวตายกันก็มีเสียใจคิดว่าอนาคตหมดแล้วไม่มีอนาคตแล้วถ้าไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้ถ้าไม่ได้เข้าสถาบันนี้แล้วอันนี้อยากจะวาดภาพให้เห็นว่าเนี่ยความรู้ทางโลกเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาริยะสงสาวกเนี่ยท่านรู้ว่ามันเป็น ความรู้ที่จะไปส่งเสริมเข้าศึกศัตรูให้มาทําร้ายจิตใจของพวกเราส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มันไปหลอกให้เราไปหาความทุกขมาให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขเพราะมันเป็นความทุกข์ที่เคลือบความสุขไว้นั่นเองเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาล หรือเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ ย, ยความสุขที่พวกเราได้กันจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เป็นเหมือนอเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดหรือเป็นเหมือนอน้ำผึ้งเครือบใบมีดโกนลองไปลองไปกินน้ำผึ้งที่เครือบใบมีดโกนดูเลย เดี๋ยวก็ต้องถูกใบมีดกนปาดบาดลิ้นหรือบาดปากได้ถ้าเป็นปลาไปฮุบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็เดี๋ยวก็เข้าไปในหม้อแกงเนะ mm hmm. นี่ยความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นความสุขที่เครือบด้วยความทุกข์เป็นเหมือนผิวบางๆแบบน้ำตาลเครือบยาขมเนะี่ย ยาต่างๆที่เรากินกันได้ก็เพราะว่ามีน้ําตาลมีอะไรเคลือบกันไม่ให้พิษของยามันเราสัมผัสกับลิ้นถ้ามันไม่มีอะไรเคลือบเนี่พอแตะกับปากกับลิ้นก็เกินไม่ลงเกินไม่เข้าจะเกินยากลําบากขนาดไม่มีขนาดมีเคลือบยังไม่ค่อยอยากจะกินกันเลยแต่พอถ้ามีอะไรไม่มีเคลือบเป็นแบบขมปีอย่างเงี้ย พอแตะเข้าไปเท่านั้นก็จะบ้วนทิ้งทันทีเขาเลยต้องมีอะไรเคลือบยาวไว้เพื่อที่จะได้กินง่ายอันนี้ก็เหมือนเงิ น, น, นความทุกข์จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันถูกความสุขเคลือบเอาไว้โดยทําให้คนไม่ฉลาดน่มองไม่เห็นกันเหมือนปลาที่ไม่ฉลาด ที่มองไม่เห็นตะขอเบ็ดที่ซ่อนเหยื่อที่ซ่อนอยู่ภายใต้ในในเหยื่อนั่นเองแต่คนฉลาดนี้จะรู้ทันจะไม่หลงคนที่จะฉลาดได้นี่ที่ฉลาดด้วยด้วยได้ด้วยตนเองนี่ก็มีไม่มากมีน้อยเช่นพระพุทธเจ้ากับพวกบรรดานักบวชทั้งหลาย แต่พวกว่างบวชก็ยังไม่ฉลาดเต็มร้อยก็ยั ง, งโง่อยูอ่ก็ยังไปติดกับความทุกข์ในรูปแบบอื่นพวกนักบวชเขาเห็นว่าลาบยศ ส, สรรแสนรูปเสียงกินล้นมันเป็นทุกข์เขาก็เลยไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากความทําใจให้สงบคือสมาธิแต่ความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันได้มาก็เสื่อมได้ เข้าสมาธิออกมามันก็หมดไปได้ถ้าถ้าไม่ทําใหม่ก็จะไม่ได้ก็ยังจะเกิดความทุกข์ได้อยู่แต่พระพุทธเจ้านี้สองคนพบความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิความสุขที่ไดจากการมีปัญญาความรู้ ว่าเหตุที่มาทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบหายไปหมดไปก <c oughs> ็คือกิเลสตัณหานี่ <c oughs> ความอยากไดความสุขจากความสงบพอจิตไม่สงบก็ทุกข์ขึ้นมาได <c oughs> เห็นไมคนบางคนเคยนั่งสมาธิเคยเคยสงบพอมานั่งครั้งใหม่ไม่สงบก็ทุกข์ขึ้นมาลนะ <c oughs> เอ๊ะทำไมไม่ได้เมื่อก่อนได้วันก่อนนั่งแล้วสงบดีวันนี้ทาไมไม่ได นั่งแล้วก็โงดเหยียดลำคาญใจขึ้นมาไม่รู้ว่าความหงดเหยียดนี้เกิดจากความอยากที่ให้จิตมันสงบแต่มันไม่สงบมันก็เลยทำให้ทุกได้มีพระพุทธเจ้าส่งค้นพบว่าจิตมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสงบของจิตมันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ต้อง พิจารณาปล่อยวางเท่านั้นมันเปลี่ยนได้มีสุขมีไม่สุขได้เวลาไม่สุขก็อย่าไปอยากให้มันสุขก็จะไม่ทุกข์นะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ดับความทุกข์ได้หมดส่วนความสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นปัญหาสงบก็ไม่ทุกข์ไม่สงบก็ไม่ทุกข์ใจของผู้ที่มีปัญญามีความรู้ทางธรรม รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ที่พวกทีอ่อยากหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะไม่อยากรับรู้ไม่อยากจะรับรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนาตาัตตเพอรู้แล้วทำให้ไม่สบายใจจะทำให้สับสนแล้ ว, ลวทีนี้จะทำยังไง ถ้าได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วมันทําให้เราทุกข์แล้วเราจะทํำยังไงไม่ได้ก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์แล้วจะให้ทํำยังไงก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนะให้มาเรียนรู้ความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมที่จะทําให้เรากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป แล้วเราจะไม่ทุกข์กับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีลาบก็ได้ไม่มีลาบก็ได้มียศก็ได้ไม่มียศก็ได้มีสรรเสริญก็ได้มีนินทาก็ได้มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้ไม่มีก็ได้อันนั้นแหละคือความรู้ทางธรรมจะพาจิตใจของเรา ไม่ไม่ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีอมีคนชอบเขียนคําถามโดยอยู่กับคนไม่ดีแล้วจะทํำยังไงก็ทําใจเท่้นอย่ไปทําไปทําเขาทําไมหรอทำได้ที่ไหนหรอเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะชาบมาบ่นเลย อยู่กับคนไม่ดีอยู่กับคนเป า, ากปากไม่ดีอะไรก็ไปอยู่กับเขาทํำไมล่ะถ้าเขาไม่ดีก็อย่าไปอยู่กับเขาสิแล้วถ้าจะอยู่กับเขาต้องอยู่กับเขาก็ต้องทําใจเท่านั้นเนี่ยเนี่ยความรู้ทางธรรมก็คือให้มาหยุดความอยากอย่าไปอยากให้เขาดีเาขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปะ ถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราจะไปทำยังไงได้เขาเป็นกล้วยจะไปอยากให้เ็าเป็นส้มได้ยังไงทำยังไงกล้วยมันก็ไม่เป็นส้มหรอกอ <g ül> ก็ต้องหัดมาชอบส้มแทนชอบกล้วยแทนถ้าไม่ชอบกล้วยก็ต้องหัดชอบกล้วยถ้าชอบกล้วยเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมใจเราเปลี่ยนได้แต่เราไม่ชอบเปลี่ยนกันใจเรานี่มันมีกิเลส มันชอบยึดติดมันชอบอย่างไรมันจะชอบอย่างนั้นถึงแม้จะทำให้มันทุกข์อย่างไรมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนได้มันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยความรู้ทางธรรมนี่มาสอนให้เรารู้จักเปลี่ยนใจรู้จักปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้ร้อนก็ชอบมันไปมันก็จะไม่ทุกข์เวลามันหนาวก็ชอบหนาวไปมันก็จะไม่ทุกข์ เวลาอยู่คนเดียวก็ต้องชอบมันก็จะไม่ทุกขเวลาอยู่กับแฟนก็ชอบมันก็จะไม่ทุกขบางคนอยู่กับแฟนก็ทุกข์ถ้าก็อยู่คนเดียวแล้วพอแฟนมาก็ทุกข์เวลาอยู่คนเดียวทำอะไรสบายพราอมแฟนมาที่นี่ก็ต้องคอยรับใช้แฟนเอาใจแฟนก็จะไม่ได้ทำตามที่เคยอยู่คนเดียวก็อาจจะทุกข์ได้ถ้าไม่ปรับใจ ต้องรู้จักการปรับใจให้ให้รับกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องมาสัมผัส ร, รับรู้อันนี้แหละเป็นเรื่องของความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้สอนให้เรามารู้จักปรับใจของพวกเราให้รับกับเหตุการณ์ที่มาสัมผัสมากระทบกับจิตใจของพวกเราถ้าเรารู้จักปรับใจ ใจเราจะไม่ทุกข์วิธีปรับก็ปรับกิเลสความอยากของเรานี่เองถ้ามันหนาวก็อย่าไปอยากให้มันร้อนมันหนาวก็อยากให้มันหนาวสิมันก็จะได้สมใจอยากพอมันสมใจอยากมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมตอนนี้อยากหนาวกันไหมมันร้อนใช่ไหมอยากหนาวกันพอมันหนาวขึ้นมาก็อยากจะให้มันร้อนเนี่ยใจเรามันเป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเอง ปรับไม่ตรงกับเวลาปรับไม่ตรงกับสภาพเหตุการณ์เวลาหนาวก็ต้องปรับให้มันชอบหนาวเวลามันร้อนก็ปรับให้มันชอบร้อนอเวลารวยก็ปรับให้มันชอบรวยเวลาจนก็ปรับให้มันชอบจนมันก็จะอยู่ได้ทุกสภาพนี่แหละคือธรรมะความรู้ทางทางธรรมมีไว้เพื่อให้เรามา าบาปกิเลสกาจัดกิเลสตัณหาตัวจู้จี้จุกจิกนี่แหละคือกิเลสตัณหาได้อะไรมาก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอใช่ไหมได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากจะได้อย่างอื่นนะไม่เชื่อลองให้กินอาหารจานโปรดดูเลยถ้นได้กินครัง้งแรกโอ้ยอร่ออร่อ ย, ออยถ้าให้กินสักเดือนหนึ่งนี่ยมันจะอาจเจียนนะมันเห็นมันก็จะไม่อยากกินนะผะอืดผะอมขึ้นมานะ แต่ถ้าทำใจเฉยๆได้กินได้ทุกวันมีอะไรวิธีปราบความไม่อยากกินทำไงรู้ไหมเวลาไม่อยากกินก็อย่าไปกินมันสิ mm hmm. เดี๋ยวมันหิวมันอยากเดี๋ยวต่อไปข้าวเปล่ามันก็กินได้อร่อยทั้งนั้นอานี่เคยมาแล้วเคยอดข้าวมาแล้วอดทีสามวันเจ็ดวันนี่เห็นข้าวเปล่าเปล่าก็อร่อย mm hmm. ไม่ต้องมีกับว mm hmm. เวลามันหิวขึ้นมาแล้วมันก็กินได้ mm hmm. ทุกอย่างอะไรไม่เคยกินไม่ชอบกินนี่กินได้เคยได้ยินข่าวคนที่ไปอดตายอดอยากในทะเลทรายหรือในป่าแมยแม้แต่ซ า, ากศพคนยัง ก, กินกันเลยอถึงเวลามันหิวมากๆนะอะไรกลายเป็นอาลิตอร่อยไปหมดนะน่ากินไปหมดอย่นพวกที่มีปัญหาเรื่องกินเนี่ยง่ายถ้ากินไม่ลงก็อย่าไปกินมันทักวันสองวันนะเดี๋ยวเห็นอะไรนี่อร่อยไปหมดอยากจะกินไปหมด ทำใหเชื่อทดลองดูไม่ต้องไปไปถามใครว่าทำยังไงกินไม่ลงเบื่ออาหารไม่ต้องไปหาหมอหเสียเวลาเนี่ยเอาธรรมะเนี่ยหมอธรรมะเนี่ยอย่าไปกินมันเมื่อไม่อยากกินก็อย่าไปกินมันเดี๋ยวพอไม่ได้กินสักพักมันพอมันหิวหิวขึ้นมาอะไรมัน ก, ก็กินได้ทั้ง น, นั้นเนี่ยเป็นพระเนี่ยหิวทุกเช้าแเพราะกินเวลาหนเท่านั้น ก่าจะได้กินอีกครั้งก็ยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพอถึงเวลานั้นแนละอะไรก็ได้บินธบาตกลับมาอะไรก็ได้ข้าวเปล่าเปล่าก็ได้ดีก็ไม่มีกลินนอะ่ะเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องคอยมากำหลาบมาปราบมันอย่าให้มันมีบทบาทพอมันมีบทบาทแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์กัน เราต้องมาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเเพื่อที่จะนำเอามาใช้กับการปราบกิเลสตัณหาเราต้องมาเรียนความรู้ทางธรรมกันเรียนวิชาอริย ส, สัจสี่กติยรักษ์นี่เองนี่เรียกว่าความรู้ทางธรรมเรียนอริยสัจสี่ให้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ อะไร ต, ตัวที่ทำให้เราทุกข์แบบทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และทุกข์หลังจากที่ตายไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ก็เนี่ยทุกข์เพราะความอยากกันอยากได้สิ่งนั้นพอไม่ได้ก็ทุกข์พอได้มาพอเสียไปก็ทุกข์เพราะอยากไม่เสียเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปไอความอยากนี้ก็เป็นตัวที่พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายหม่อีกไปทุกข์ใหม่อีกรอบหนึง่งนี่นีคืออริยสัจสี่สองข้อแรกทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี์ทุกขสัจแปลว่าทุกทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความอยากของเรา อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์อยากไม่ได้พอได้มาก็ทุกข์อยากไม่แก่ใช่ไหอยากไม่เจ็บนพอได้แก่ได้เจ็บมาก็ทุกข์กันนี่คือทุกขสษัตริย์คือความไม่สบายใจไม่ใช่ไม่ใช่ความไม่สบายใจไม่ใช่ความไม่สบายกายคนละเรื่องกันอริยสัจสี่นี่พูดถึงความทุกข์ทางใจ ที่เก ER ิดจากความอยากสามประการคือการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาการมาตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกล็ดนัดเวลาอยากแล้วรู้สึกใจสบายไหมงดเย็ดดื้อรู้สบายใจเวลาอยากจะดื่มกาแฟยังไม่ได้ดื่มรู้สึกยไงก่อนดื่มกับหลังดื่มเป็นยังไงก่อนดื่มนี่งดเย็ดน พอได้ดื่มแล้วมันถึงจะสบายาก็เลยคิดว่าการดื่มกาแฟเป็นการดับความหงุดหงิดความจริงไม่ใช่หรอกการดื่มกาแฟมันไปทำปมันไปทาให้ความอยากหยุดทำงานชั่วคราวนั่นเองพอความอยากมันหยุดทำงานาความหงุดหงิดมันก็เลยหายไปแล้ว เ, เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ พอแยกโผล่กันมาก็ก็หงดเหงียดขึ้นมาใหม่อีกก็เลยคิดว่าวิธีแก้ความหงดเหงยดก็คือวิธีทําตามความอยากอยากดื่มกาแฟพอหงุดหงยดก็พอได้ดื่มกาแฟก็รู้สึกหายหงดเหงยดอยากสูบบุหรี่พอได้สูบบุหรี่ก็หายหงดเหงีิดอยากดื่มสุราออยากไปเที่ยวอยากไปชอปปิง้งเหมือนกันนะเป็นความอยากแบบเดียวกันะ ต้องตอบสนองความอยากแล้วมันถึงจะหายหงุดหงิดทีนี้ถ้าเกิดมันอยากแล้วตอบสนองมันไม่ได้จะทำยังไงถ้าเกิดกาแฟาหมดหรือไม่มีกาแฟาขายก็ต้องหงุดหงิดไปจนกว่ามันจะหมดแรงตอนที่มันไม่หมดแรงมันก็หงุดหงิดลำคาญใจไปเรื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกความหงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจ เรียกว่าทุกข์กษัตริย์ข้อที่หนึ่งอริยศัสตร์ข้อที่หนึ่งคือทุกข์ใจและสาเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากสามประการนี้แล้วมันไม่ทุกข์เฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเราตายไปไอ้ความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากทั้งสามนี้มันอยู่ในใจมันก็เป็นตัวพาให้เราไปเกิดใหม่นั่นเองพาให้เราไปมีร่างกายอันใหม่ ท่านถึงแสดงทุกข์กริยัไว้สองมิติด้วยกันมิติมิติอนาคตคือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่เนเป็นความทุกข์เกิดมาแล้วมันสุขหรือทุกข์นะถ้าสุขมันคงจะไม่ต้องร้องห่มร้องไห้กันใช่ไหมพอเกิดมามันก็ร้องไห้กันแนละ้วออกมาจากท้องแม่ก็ร้องไห้ก่อนนะอะ้หมอเวลาเด็กออกมานี่มันหายใจเองได้ปะ เต้องต้องกระตุ้นหรือเปล่าหรือเขาจะหายใจเขาเองหายใจเองได้ครับต้องต้องตกกระตุ้นอ๋อต้องกระตุ้นเด็กก็จะเกิดเหมืนเหมือนสูดหายใจเข้าตอนต้นยังไม่หายใจใช่ไหมตอนที่อยู่ในท้องแม่คือเขาชินกับกับกับสายรุ้งอ่ะอาศัยอาศัยออกซิเจนจากใองแม่พอเด็กคลอดออกมาสู่อากาศข้างนอกเนี้ยต้องกระตุ้นให้เด็กหายใจปอดจะทํางานได้ปกติถ้าไม่ก็ไม่กระตุ้นก็หายใจเองหรือเปล่าถึงเวลาเขาก็ต้องหายใจเอง เพราะว่ามันต้องรีบหาห า, หาลมหายใจเนี่ยถ้าเราไม่กระตุ้นเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องหายใจเองถ้าเกิดก็ไม่หายใจจริงๆล้วก็ถึงต้องต้มหัวใจแบบนั้นนะถึงจะหายใจเองได้เห็นไหมเกิดมาก็ทุกข์แล้วน ะ, ะทุกข์ต้องหายใจย <laughs> อยู่ในท้องแม่ไม่ไม่ต้องหายใจสบาย ท่ท้องแม่นี่แม่มีสายสายสายสายสเส้สะดือนี่ส่งปัจจัยสี่ให้ส่งธาตุสี่ให้กับร่างกายส่งน้ำส่งดินส่งอากาศส่งอะไรเข้าไปพอยังไม่เกิดเนี่ยไม่ทุกข์พอออกมาจากท้องแม่พอเกิดมาปุ๊บก็ร้องกันล่ะหายใจไม่ออกขาดลมหายใจ ก็ร้องแล้วมาสัมผัสกับอากาศที่ไม่เหมาะกับที่เคยสัมผัสใช่อยู่ในท้องแม่นี่มันอุณหภูมิมันสม่าเสมอไม่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแต่พอออกมานี่ไม่รู้อุณหภูมิในห้องเป็นยังไง <c oughs> บางทีก็ร้อนถ้าไปเกิดในทะเลทรายไปอยู่แอฟริกามันถ้าไปเกิดในโรงพยาบาลก็ยังมีอุณหภูมิพอดีอยู่ อันนี้นะ่ะมันก็พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเกิดแล้วมันเป็นทุกข์นะเพราะเกิดแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะมันต้องดิน้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงดูชีวิตนะตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกมาก็ต้องต่อสู้กับการดํารงชีพด้วยการหายใจนะแล้วเดี๋ยวก็หิวน้ําะหิวน้ําหิวนม ห, หิวอาหารก็ร้องอีกเนะพราะถ้าไม่ร้องก็ไม่มีใครรู้ไง พ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกหิวน้ําหรือปวดฉี่ก็ต้องร้องอคำามาร้องมันก็ทุกข์แล้วช่วยบรรเทาทุกข์ให้ข้าพเจ้าหน่อยเถิดตอนนี้ข้าพเจ้าหิวน้ำํำข้าพเจ้าหิวข้าวเอข้าพเจ้าปวดฉี่ออันนี้ท่านที่ว่าเกิดแล้วทุกข์เนี่ยแล้วก็พอจเจริญเติบโต ก็ทุกข์อะคือก่าจะเจริญเติบโตได้ก็ต้องดินหล่อนะต้องหาอาหารต้องหาอะไรต่างๆตอนต้นก็อาศัยพ่อแม่ช่วยดูแลให้ก็เอาความทุกข์โยนไปให้พ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงลูกใหม่ๆนี้ลูกเกิดมาใหม่ๆนี้ไม่ได้นอนนะเดี๋ยวก็ร้องนะเดี๋ยวก็ร้องนะก็เลยระบายความทุกข์ไปให้ทางพ่อแม่รับไป แต่พอโตขึ้นได้พ่อแม่ก็บอกว่าทำมาเองมากหากินเองมาก <c oughs> เลี้ยงไม่ไหวแล้วอก็ต้องทุกกับการหาอะไรมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องเลี้ยงไปจนวันตายเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดต้องมาทุกข์กับการดารงชีพหากินหาอยู่แล้วก็ต้องมาทุกกับภัยต่างๆภัยธรรมชาติ ไฟจากอากาศจากดินน้ำลมไฟจากน้ำท่วมจากพายุจากแผ่นดินไหวจากไฟไหม้อะไรต่างๆแล้วยังต้องมาทุก์กับโรคภัยเชื้อโรคต่างๆอีกแล้วต้องมาทุก์กับคนอีกคนที่ปองร้ายหวังร้ายคนสมัยนี้จ่ายร้ายขโมยเด็กขโมยลูกของคนอื่นไปก็มีอยากได้ลูกตัวเองไม่มีลูก ก็เลยไปขโมยหรือม่นก็จ้างให้คนอื่นไปขโมยมาให้คนที่อยากจะหากินหาอยู่แบบง่ายๆก็รับจ้างเขาไปขโมยเด็กของคนอื่น mm hmm. แล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับเด็กกับพ่อแม่ใช่พ่อแม่กับลูกจากกันนี่โอยมันแทบจะใจขาดใจจะขาดแล้วไม่ได้เห็นลูกอีกต่อไปนี่มันจะรู้สึกยังไง เดี๋ยวยนี้น้าสิงเขามีแปะป้ายไว้เห็นไหมน้ําสิงนี่ก็มีแปะป้ายเด็กขายเห็นไหมตอนนี้ต้องการกระตุ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วไอ้พวกที่อยากจะขโมยเด็กของคนอื่นไปทางน้ําดื่มเขาก็เลยเป็นวิธีโฆษณาไปในตัวอดนลงไปแล้วก็ทําให้คนอก็อาจจะ เห็นว่าซ <knight> ื้อน้ำเราไดช่วยสนับสนุนกันช่วยค้นหาเด็กที่หายก็เลยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนยมันคือพูดง่ายๆก็คือเกิดมาแล้วมันทุกข์ไม่รู้จะได้อยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าบางทีเด็กบางคนก็ถูกขโมยขโมยไปไดทำดีทำไม่ดีก็ไม่รู้แหละแล้ว พอโตขึ้นไปพอช่วยตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้ก็มีช่วงหนึ่งพอดีพอจะหาความสุขอะไรได้ก็ต้องมาทุกข์กับความสุขที่หามาได้ไหหาอะไระมาได้ก็ต้องมาทุกกับสิ่งที่เราหาได้หาเงินมาได้ก็ต้องทุกกับเงินที่เราหามาได้หาตำแหน่งก็ต้องทุกกับตำแหน่งไม่รู้จะถูกปลดเมื่อไหร่ถูกโยกย้ายเมื่อไหร่ มันดีขึ้นดีเขาไม่ชอบที่หน้าเราขึ้นมาเขาก็ย้ายเราได้เขามีอำนาจนี่คือบรรยายครบรรยากาศให้เห็นว่าเกิดมาแล้วมันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะต้องมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆภัยต่างๆอทุกข์กับเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วยังไม่พอถึงแม้จะอยู่รอดไปก็มาเจอทุกข์ตอนแก่กันเจอความแก่กัน แต่โลกภัยไข้เจ็บของคนแก่ตามใหม่เลยมันทุกข์ตั้งแต่วันแรกเลยนะพูดง่ายๆพูดตั้งทุกข์ตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มทุกข์แล้วแล้วก็ทุกข์ไปจนถึงวันสุดท้ายคือวันตายเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่คืออริยสัจความสัต์ความจริงที่ประเสริฐที่ผู้ประเสริฐเท่านั้นถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ย พวกพวกเนี่มันไม่ประเสริฐเราเลยไม่เห็นว่ามันทุกข์กันเรากลับเห็นว่ามันเป็นสุขกันได้มาเกิดแล้วโอ้จะได้ทำอะไรต่างๆได้จะได้หาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้จะเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นซีกหนึ่งของโลกนี้เห็นซีกของความสุขของโลกนี้จะไม่เห็นซีกของความทุกข์ต้องมีคนฉลาดคนประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกุก มีความฉลาดที่จะเห็นว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์การแก่นี้เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นทุกข์การตายนี้เป็นทุกข์การพัดพลากจากกันนี้เป็นทุกข์การต้องประสบต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์สรุปแล้วก็คือการเกิดนี้เป็นทุกข์ อะไรที่ทําให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากสามตัวนี้อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองอที่พาให้เรามาเกิดกันแล้วก็พาให้เรามาทุกข์กับมันเพราะเราพอมาเกิดเราก็จะไปทําตามความอยากทั้งสามนี้ก็อยากได้ลาบยศกันก็ไปดิ้นรนขนั้นกว่าจะได้เงินทองมานี่ต้องไปเรียนหนังสืออย่างน้อยกี่ปีสิบสองปีก็หมหก ถ้าปริญญาตีก็สิบหกปีถ้าหมอก็สิบแปดปีหมอเรียนหกปีปริญญาโทถ้าปริญญาเอกก็เพิ่มอีกห้าปียี่สิบสามปีทุกข์กับการเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เพื่อที่จะมาหาทุกข์เพิ่มอีกไม่ใช่ไหมหไปหาทุกข์ที่ได้มาจากการได้ลาบยศสันละแสนมา ได้เงินมาก็ไม่รู้จะไปเก็บไปที่ไหนไว้ปลอดภัยดีมีมีมีความเสี่ยงทุกทุ ก, ท, กทุกช่องทางไปซื้อหุ้นก็เดี๋ยวก็เจ๊งได้ไปซื้ออะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะรับประกันว่ามันจะทำให้เงินไม่เสื่อมไม่หายไม่หมดเนี่ยแหละไปทุกมายี่สิบกว่าปีเพื่อไปหาความรู้มาเพื่อจะได้ไปหาความทุกข์มาเพิ่ม หาความทุกข์จากลาบยศสรรเสริญพอได้ตาแหน่งก็ต้องทุกข์แล้วทุกข์กับว่าจะอยู่ไปได้ทักนานสักเท่าไหร่จะถูกเขาโยกย้ายเมื่อไหรจะถูกปวดเมื่อไหรหรือไม่เช่นนั้นก็ทุกข์เพราะไม่พอแล้วอยากจะได้สูงกว่านี้ได้ชั้นนี้แล้วก็อยากจะได้อีกชั้นหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ทุกข์อีกแล้วทุกข์กับความอยากทั้งนั้นนี่แหละคือเรื่องของ ข้อสองคือสัตธรรมอริยสัจข้อที่สองคือความอยากก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ใจนี่อันนี้เป็นสมุทัเป็นข้อที่สามเรียกว่านิโรดนิโรดแปลว่าดับดับอะไรก็ดับความทุกข์ใจดับการมาเกิดแก่เจ็บตาย ก็คือต้องดับด้วยต้องดับดับดับอะไรก็ต้องดับเหตุเหตุที่ทําให้มันทุกข์คืออะไรก็คือความอยากเหมือนกับเวลาเราจะดับไฟนี้เราทํำยังไงเหมือนเราจะปิดไฟเราก็ไปปิดที่สวิตสิใช่ไหมสวิตเป็นตัวที่เปิดไฟพอเราปิดสวิตไฟมันก็มันก็ดับไปเหตุนั้นถ้าเราต้องการจะดับไฟเราก็ไปดับที่สวิต พอเวลาเราต้องการเปิดไฟเราก็ไปเปิดที่สวิตสวิตของความทุกข์ก็คือความอยากของเรานี่อพออยากก็ทุกข์แล้วก็พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายก็หยุดความอยากแล้วเราจะใช้อะไรมาหยุดความอยากได้ก็ใช้มรข้อ ส, สี่อริยสัจสี่ข้อที่สี่คือมรคือวิธีที่จะมา ดับความทุกข์หรือมาหยุดความอยากกันมรรคก็มีแปดองค์เรียกว่ามรรคแปดทางสายกลางทำไมถึงมีทางสายกลางเพราะมันมีสามทางด้วยกันที่คนเราใช้ดับความทุกข์กันพวกเรานี่ส่วนใหญ่ดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขกันแต่ดับได้ชั่วคราวเหมือนเทน้ํามันลงไปในกองไฟ เวลาเทลงไปใหม่ๆน้ำมันมันยังเงย็นอยู่มันก็ทำเป็นเหมือนน้ำทำให้ฝ่ายที่ลุกนี่ทำท่าจะสงบลงแต่พอน้ำมันมันร้อนขึ้นทีนี้มันกลับลุกขึ้นมาใหญ่เลยอันนี่คือวิธีดับทุกข์ที่พวกเราดับกันเวลาหงุดหงิดนำคาญใจก็ไปดับไปหาความสุขกันไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรกันมันก็ดับไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกโขดขึ้นมาใหม่ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีดับทุกข์อีกพวกหนึ่งดับทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายคิดว่าถ้าทรมานร่างกายได้แล้วใจจะไม่ทุกข์ต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ดับถึงแม้จะเอาของแหลมมาทิ่มแทงปากท้องหรือมาเอามีดอะไรมามากรีดนั่งบนน้ําอะไรอย่างนี้ ทนกับความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บทางใจมันก็ไม่หายไปความทุกข์ทางใจมันก็ไม่หายไปมันก็ยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ะพระพุทธเจ้าเลยบอกสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่จะดับทุกข์ต้องใช้ทางที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบคือทางที่มีมรรคแปดหรือถ้าพูดโดยย่อก็มีสามคือศีลสมาธิ ป, ปัญญานี่เองทางนี้แหละคือ ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ได้ด้วยการหยุดความอยากได้ผู้ที่จะมาหยุดความอยากของใจของพวกเรานั่นคือศีลสมาธิปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติกันเนี่ยสอนให้มาเรียนรู้แค่มรคนี้เองสามตัวนี้มรคที่มีองค์แปดหรือถ้ามารวมย่อลงมาก็เป็นสามศีลสมาธิปัญญา สีนึงก็สัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโอนี่เรียกว่าศีน่ะสีนก็มีสามมีมรกอยู่สามตัวสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวนะแล้วก็สมาธิก็มีอีกสามสมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัมมาวายามะก็คือความเพียรความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญสติให้เป็นสัมมาสติพอมีสัมมาสติก็จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิตามมาก็อีกสามพอมีสมาธิแล้วทีนี้ก็ไปศึกษาทางปัญญาศึกษาอริยสัจสีศึกษาไตรลักษณ์ก็จะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปก็จะเห็นว่าทุกของเราเกิดจาก ตันหาความอยากของเราถ้าต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องเจริญสีนสมาธิปัญญาหยุดความอยากต่างๆพอหยุดได้จิตก็นิโรธความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดคาว่านิโรธแปลว่าดับไม่ใช่จิตดับนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจดับเหมือนกองไฟที่เราใช้น้าลาดเข้าไปมันก็ดับนี่คืออริยสัจสี ปัญญาทางพระพุทธศาสนาความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าเห็นอริยสัจสี่มันก็จะเห็นไตรลักษณ์ด้วยเพราะมันไตรลักษณ์มันอยู่ในส่วนของมรรคนี่เองอยู่ในสัมมาทิฏฐิในสัมมาสามังกปรเราต้องเห็นทั้งหมดนี้มีแค่นี้เองความรู้ทางพระพุทธศาสนาไม่กว้างเลยมีแค่สี่ข้อใหญ่ๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเรียนแล้วเข้าใจแล้วนําเอาไป ปฏิบัติได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับว่าจะเาเงินทองไปเก็บไว้ที่ไหนดีถึงจะปลอดภัยไม่ต้องทุกข์กับว่าจะทำไงให้แฟนหรือคนที่เรารักให้เขารักเราไปตลอดไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเพราะจะไม่มีสิ่งเหล่านี้มาให้เราทุกข์ พ่าเรามีสิ่งที่ดีกว่าที่ให้ความสุขเราก็เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็ความสุขที่เกิดจากการดับของทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้เอันนี้แหละเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ประเสริฐที่สุดความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่คือเรื่องของความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่จะทําให้เราเอ ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความรู้ที่จะทําให้เราปลอดจากความทุกข์ต่างๆต่างกับความรู้ทางโลกที่จะพาให้เราไปพบกับความทุกข์แบบไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้ท่านจงนำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมมิตาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถา มณีโชติอารโสยาธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจังุทธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวันโนสุขังภาลังต้องลงเวลาหมอคลอดเด็กออกมานะต้องดูก่อนวนะ่าหายใจหรือไม่หายใจเลยไหมดูสิ่งแรกก่อนเลยหมดูหายใจดูสีผิวอูาเสียนงะแต่ว่าเด็กเด็กออกมาก็คือพ่อโดนอาก า, กาศเป็นอัศโนมัติครับอาจารย์สัญญ า, ายใจ<า>โอเคอลำดับต่อไป ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเแิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะถือว่าหมดเวลาหมดแรงวันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะ ทาง Facebook อ2 2ยยสิบสองคนยูทูบสามรอยสิบเกคนรเดียี่สิบปดคนแล้วฟังบนเขายี่สิบห้าคนรวมรวมทั้งหมดห้ารอยเก้าสิบสี่คนค่ะโอเคใครอยากจะถามคำถามก็ส่งไวไปให้เขานะำนำ ก, การรัมสการ์วาจารย์ครับพอดีจะมีคำถามสองเรื่องค่ะเกี่ยวกับ เ อ, องานที่ทํารับเป็นเรื่องเกิดกับเรื่องตายคนระับคื อ, เ, อเรื่องแรกก่อนนะเรื่องเรื่องตายครับพอดีผมเป็นหมอผ่าตัดนะอาจารย์ก็มีการผ่าตัดที่เขาเรียกว่าการปลูกไายอาวัยวะครับก็คือไปอวัยวะจากคนที่เขาสมองตายคนระับแต่ว่าหัวใจยังเต้นอยู่นะครับอาจารย์ก็เอาเอาวัยวะนี้ยมาใส่ให้กับคนที่ต้องการทีนี้เนี่ยก็ทํามาสักระยะหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรา เราไปเหมือนกับฆ่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าสมองตายแต่ว่าหัวใจยังเต้นอยู่ฮะอืมก็เพราะเรื่อนี้ยะเป็นเรื่องของกิเลสความอยากอยากจะเอาอวยอาวยวะที่ยังสดอยู่ไปใช้อก็เลยไปเปลี่ยนความหมายของคําว่าตายใหม่ซึ่งเมื่อก่อนโบราณเขาก็ตายก็เพราะไม่หายใจตายเพราะหัวใจหยุดเต้นแต่ทีนี้กิเลสตัณหาอยากจะได้ เาไปทําประโยชน์ให้กับอีกคนหนึ่งก็เลยเปลี่ยนนิยามคําว่าตายใหม่ซึ่งมันไม่ขัดมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเขายังไม่ตายหัวใจเขายังเต้นอยู่แต่เราไปบอกว่าตายใครเป็นคนบอกว่าตายได้เมื่อความจริงมันยังไม่ตายอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ทําบาปอย่างสบายใจนั้นเองดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามันบาปเราอย่าไปทําดีกว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่า ไปทําสัญญกรรมตกแต่งดีกว่าครับครับก็ตอนแรกที่ทํามันก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรพอดีปฏิบัติทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มเริ่มมีเตือนในใจว่ามันไม่ถึงันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยเลิกออกมาก่อนแหละครับทีนี้ก็เอเรื่องของคอเรื่องเรื่องต่อเรื่องเรื่องเดียวกันนะฮะคือเอ่อ มันจะเป็นเขาจะมาอาฆาตไหมฮะคนที่เขาเราเคยไปไปเอาของเขามาโดยที่เขาส่วนใหญ่เนี่ยเคสที่เขาให้ให้อาวยวะเนี่ยจริงๆเองเนี่ยไม่ค่อยมีฮะส่วนใหญ่ก็คือเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็บาดเจ็บสมองแล้วก็เอามาคือขอญาติมาเขาไม่ได้ให้เองเี้ยอันนี้ก็ก็จะมีกรรมเขาก็อาจจะอาฆาตเราเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าใช่ครับถ้าเขายินยอมเนี่ยเขาก็จะไม่อาฆาตเรา แต่ถ้าเขาไม่ยอมเขาคิดว่ากูัอาจจะมีโอกาสฟื้นก็ได้นะแต่เมืองมากับทําให้กูตายเนีขาก็อาจจะคาดเราได้ครับทีนี้ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องเกิดนะพระอาจารย์คืออมันจะมีการคุมกําเนิดปัจจุบันฮะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการกินยาฉุกเฉินหรือฝังห่วงที่มันมันเหมือนกับเชื้อกับไข่เนี่ยผสมกันละแต่ป้องกันการฝังตัวเงี้ยอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการ คล้ายๆแทงหรือเปล่ารบอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจไม่หรอกถ้ายังไม่มีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็เพียงแต่ถือว่าเป็นการป้องกันเป็นการกีดกันไม่ให้มีการเกิดการเกิดขึ้นมายังไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแต่แบบเดี๋ยวนี้มีวิทยาการก้าวหน้ารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องมีโรคมีปัญหาถ้าปล่อยให้เกิดแล้วจะต้องเป็นภาร ะ, ะขอพ่อแม่ แลาตัวเองก็ไม่สามารถที่จะ อ, อยู่อย่างปกติได้หมอก็อาจจะแนะนำให้ทำแท่งเรืออะไรอย่างนี้ก็ผิดเหมือนกันอย่าไปเราอย่าไปเป็นผู้กาหนดเป็นเจ้ากรรมปล่อยให้เขากรรมของเขาเป็นมาอย่างนี้ก็ปล่อยให้เขารับกรรมของเขาไปแล้วก็คุณครัอาจารย์เรื่องสุด้ายนะเกี่ยวกับ ที่เขาปัจจุบันเนี่ยเขามีเรื่องภาวะการดุนยาธาตุอะไรนั่นก็เหมือนกันอมีอคนไข้บางคนเขาก็มาถามเรื่องการดุนยาธาตว่าเอ อ, เ, อ, อเขาไม่อยากอ ย, กอยู่แล้วลเขาปวดเ อ, อ, อย่างนี้มันถือว่าบาดนะครบบาดบาดเขาไม่รู้หรอกว่าการฆ่าตัวเขาเองเนี่ยหรือหมอที่ไม่รู้แล้วไปช่วยฆ่าเขาเนี่ยมันจะส่งจิตใจของเขาให้ไปอบายกันนเลยเ าการฆ่านี้มันเป็นเป็นเป็นตัวที่จะส่งให้จิตใจลงต่ําชุดให้จิตใจลงต่ำํำมันมีสี่ระดับถ้าฆ่าโดยไม่คิดว่าบาปนี่ก็เป็นจะไปเกิดเป็นเดาชฌานถ้าฆ่าด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตฆ่าด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายเด็กพ่อแม่กลัวว่าต้องเป็นมาเลี้ยงลูกพิการก็เลยฆ่าเขาฆ่าลูกเนี่ย อันนี้ก็จะไปเป็นนอสุลกายถ้าฆ่าด้วยความมาฆาาปริบาร์ดก็มันก็จะไปเป็นนรกพวกที่ฆ่าด้วยการุณ น, นี่ก็เป็นพวกที่ฆ่าแบบไม่รู้ว่าบาปนะคิดว่าบุญช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานแต่ตัวเขาเนี่ยแหละที่ไปช่วยเขาเนี่ยกับไปทําโทษตัวเองทําให้ตัวเองต้องไปเกิดเป็นเดชะฌานทําบาปโดยไม่รู้ ว่าเป็นบาปเพราะจิตใจมันจะถูกรันผลกระทบจากการทําบุญและทําบาปจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทําถ้าอยากจะทําบุญก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามสภาพของเขาสิก็ช่วยเลี้ยงดูเขาไปเท่าที่จะทําได้บางคนตัดปัญหาง่ายๆทางเลี้ยงดูมันอีกหลายปีฆ่ามันเสียดีกว่าตัดปัญหาความจริงแนละ้วไม่ได้เป็นความกรุณากับ บุคคลที่เราฆ่าหรอกรุณากับตัวเราเองเราจะได้ไม่ต้องมีภาระต้องมาคอยแบกหามอันนี้ก็เป็นบาปไม่ว่าจะฆ่าโดยเหตุผลกลไกใดบาปทั้งนั้นบาปมากบาปน้อยบาปนานหรือบาปไม่นานบาปหนักบาปเบาก็มันก็จะไปรับโทษอนานหรือไม่นานเริ่มหนักหรือไม่หนักทุกมากเริ่มทุกน้อยเนี่ยมันเป็นบาปทั้งนั้น่ะ อย่าทำอะดีที่สุดปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ได้หรือทำไมต้องไปยุ่งกับเขาด้วยใช่ไหมนั่นแหละคำถามต่อไปทางยูทูบค่ะคุณวสันการนำหนังสือธรรมะหรือประวัติครูบาอาจารย์ไปอ่านเนี่ยไปอ่านในห้องน้ำเป็นการสมควรหรือไม่ครับถ้าพูดทางธรรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไระที่ไหนก็ได้ การอ่านหนังสือธรรมะนี่จะถูกหรือไม่ถูกอยู่ที่สติมากกว่าถ้าอ่านโดยไม่มีสติก็อ่านไม่รู้เรื่องก็อย่าไปอ่านให้เสียเวลาแต่ถ้าอ่านด้วยสติไปนั่งในห้องท่วมอ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่านแล้วมีดวงตาเห็นธรรมในห้องท่วมก็ได้เห็นอาหารเก่าอาหารใหม่โอ้อาหารที่ออกมาเนี่เป็นอาหารเก่าเนี่ยมาต่อไปเวลาอยากจะกินอาหารก็นึกถึงอาหารเก่ามันจะได้ไม่อยากกินน อันนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในห้องส้วมก็ได้เพียง mm hmm. แต่ว่าถ้าให้คนอื่นเขาดูมันก็ไม่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะเราคนทั่วไปจะเคารพของสูง mm hmm. เช่นพระธรรมหนังสือธรรมะนี่จะไว้ที่สูงจะไม่เอาไว้ที่ต่ำจะเชิดจะเชิดชูเทิดทูนบางเคารพนับถือเพรั mm ้น hmm. งทีถ้าเราทำอะไรถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ต้องระวงัง แต่ถ้าเรามองจากประโยชน์จริงๆเนี่ยตอนเราอยู่คนเดียวนี่ถ้าเรากําลังอ่านธรรมะอยู่กําลังติดเรื่องกําลังติดพันกันอยู่แล้วปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้อ้าว <laughs> ไม่อยากจะอ่านต่อไม่ให้มันขาดตอนนี้จะได้ไม่เสียประโยชน์ะแล้วถ้าเรามองถึงประโยชน์ที่จะได้รับมันก็ไม่เสียหายแต่ถ้ามองถึงความรู้สึกของคนอื่นต่อสิ่งที่สูงนี่มันก็ เสียหายเราก็ต้องรู้กาลเทศะหรือว่าควรหรือไม่ควรอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติธรรมในห้องส่วมไม่ได้สิอย่างไปบริกรรมพุทธโธพุทธโธในห้องส่วมไม่ได้ได้ทําไมไม่ได้มันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเ น, นื่องต้องมีสติตลอดเวลาไม่ใช่ช่วงนี้ขอวางสติไว้ก่อนเพราะจะเข้าก <c oughs> <c oughs> ิเลสไม่ไม่วางลวเลยสิกิเลสไม่ได้เรียกว่าเป็นห้องส่วมหรือไม่ห้องส่วมอมันจะคอย สร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมาสร้างปัญญาสร้างสติสู้กับมันแล้วประหยุทธ์พัก ต, ตอนที่เข้าอง่วนมันก็ถูกมันมันถูกมันลุมเมาเสียตอนนั้นอ่ะอ่านนี่พูดตามหลักธรรมนะพูดถึงตามหลักของการปฏิบัติตามเหตุตามผลไม่พูดเกี่ยวถึงเรื่องของสมมุติเรื่องของที่สูงที่ต่ำอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติถ้าเราเกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่สูงที่ต่าคือเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้อาจจะถูกเขาตำเนตตีเตี้ยเนอะจะหาว่าเราบ้าก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะคำถามต่อไปจากคุณพิทาค่ะผมมีความสงสัยว่าหากบุคคลที่อยู่ในช่วงฝึกหัด ฝึกฝนในการภาวนาในขั้นเริ่มแรกแต่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมที่ได้จากการภาวนาแต่ก็เพียรฝึกฝนไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าได้บุญหรือยังครับหรือต้องปฏิบัติจนเกิดธรรมเกิดขึ้นจากการภาวนาก่อนถึงจะได้บุญครับก็เหมือนการเรียนหนังสือเราไปเข้าโรงเรียนเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเราก็เรียนไปตามครูอาจารย์สอนจะได้ผลก็ต่อเมื่อสิ้นปีเขาให้เราขึ้นชั้น ที่สองหรือไม่ถ้ายังไม่ขึ้นก็ยังไม่ได้ผลก็ต้องเรียนซ้นําชั้นนั้นก็การศึกษาการปฏิบัติก็เป็นขั้นตอนของการไปรนําไปสู่ผลคือบุญแต่ถ้ายังไม่สําเร็จมันก็ยังไม่ได้ผลไม่ได้บุญพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี น, นะถึงจะได้ผลถึงจะได้บุญ การเรียนก็ถือว่าเป็นบุญแบบหนึ่งบุญที่จะบุญที่เป็นเหตุที่จะนําไปสู่บุญที่เป็นผลถ้าไม่มีบุญที่เป็นเหตุก็จะไปสู่บุญที่เป็นผลไม่ได้ยิ่งจะถือว่าการการปฏิบัติการศึกษาเป็นบุญมันก็เป็นบุญแต่บุญในระดับเหตุยังไม่ใช่เป็นบุญระดับผลคือประโยชน์คําว่าบุญนี่หมายถึงประโยชน์ ได้ประโยชน์ในระดับเหตุเพราะถ้าไม่มีเหตุมันก็จะทำให้มีไม่มีผลประโยชน์ที่จะได้ที่เกิดจากผลก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ไปศึกษาไม่ไปเรียนไม่ไปปฏิบัติคำถามต่อไปจากคุณสมทรงค่ะ อาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเหมือนเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่าเป็นบาปใช่ไหมคะถ้าเราเลี้ยงเพื่อเมตตาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ไปขายใครเลี้ยงเก็บไว้เหมือนเราเลี้ยงมาที่เรารักนี้เลี้ยงมันไปจนมันตายเราก็เอาไปฟังใบอะไรแบบ น, นี้ก็ไม่บาปแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อขายแล้วรู้ว่าเขาเอาไปฆ่าอย่างนี้มันก็ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองแต่มันก็เป็นการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่นเขาได้ฆ่า เราไม่บาปเพียงแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทวําเพราะเป็นการส่งเสริมการฆ่ากันมหมดแล้วแล้วฉะนั้นท่านถึงมีสัมมาอาชีพเนี่ยสัมมาอาชีพคืออาชีพที่ไม่ไปทําความทุกข์ยากเดือดร้อนไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นถึงแม้เราไม่ได้ทําเองก็ไม่ควรทําอาชีพเหล่านี้เช่นการขายสุรายาเมาะ ขายแล้วก็ทำให้คนเดิมมึนเมาแล้วก็อาจจะไปทะเลาะวิวาอไปทำร้ายผู้อื่นได้ขับรถก็ไปประสบอุบัติเหตุได้คนที่ทำบาปบางทีใจไม่กล้าพอต้องดื่มสุราก่อนย้อมใจก่อนเขาเรียกยอมใจก่อนที่จะไปฆ่าคนนี่บางทีถ้าเป็นปกติแล้วใจมันยังมีความสำนึกอยู่ไม่อยากไม่กล้าฆ่า ต้องดื่มสุราย้อมใจซะหน่อยพอมีสุรามันเริ่มมุนเมามันเริ่มความคิดผิดถูกดีชั่วเริ่มจางไปแล้วทีนี้มันก็จะกล้าไปทำบาปได้ฉะนั้นขายสุรานี้ก็ไม่ควรขายอาวุธต่างๆเครื่องเครื่องดักสัตว์นี้ก็ไม่ควรมีด มีปืนผาหน้าไม้ที่ไว้ใช้ฆ่ากันแต่มีที่ช่วยใช้ทําครัวนี่ไม่ขายได้ทํากับข้าวทําอะไรนี่ขายได้แต่ถ้าอาวุธที่เจาะจงไว้เพื่อทําลายชีวิตของผู้อื่นนี่ไม่ควรจะค้าขายยาพิษสารพิษต่างๆก็ไม่ควรสารสารฆ่าแมลงฆ่ามดฆ่ายุงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ค้าอาชีพค้ามนุษย์นี่ เอามนุษย์มาเป็นทาสเขาไปไปส่งเสริมการให้คนไปทำทุทําความรุนแรงต่อผู้อื่นเพราะเขาทุกขยากลำบากเขาขาดแขนเงินทองเราก็เลยเหมือนกับค้าขายชีวิตค้าขายคนถึงมันจะไม่เอาไปฆ่ามันก็มันก็ไม่ดีไม่มีใครอยากที่จะต้องไปเป็นทาสเป็น ไปถูกทารุณกรรมต่างๆถูกบังคับให้ทําสิ่งที่ไม่ไม่ต้องการจะทํากันคือเขาเล่าว่าอย่ากฆ่าพวกปเวณีอพวกบาพวกผับเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ควรเพราะมีทั้งสุรามีทั้งปเวณีมีทั้งไม่รู้ว่าบังคับเด็กไปขโมยเด็กมาหรือหลอกเด็กเข้ามาแล้วก็มาบังคับให้เขาขายตัวอย่างนี้ ทั้งๆที่เขาก็ไม่อยากจะขายก็มีอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นถึงแม้ตัวเองเราอาจะไม่ได้ทาเองเราไม่ได้เปิดบาร์เปิดผับเองแต่เราไปหลอกเด็กว่าให้ไปทางานที่นี่นะได้เ ง, นงินดีอย่างนูนอย่างนี้พอไปทำก็ถูกเขาจับขังไว้เลยอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ เรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีพองค์เจ้าเจ้าบอกอย่าทําให้มีสัมมาอาชีวะให้มีอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนเช่นเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลขับแท็กซี่อะไรงนี้ก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นตัดเสื้อผ้าเย็บผ้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆอาชีพเยอะแยะไปหมดที่ไม่ไปสร้างความเสียหาเดือดร้อนให้กับผู้ก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะ แต่ไม่เป็นบาปหรือเป็นบุญมันเป็นอาชีพที่จะไปสนับสนุนให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขยน่งทำอาชีพที่ไปสนับสนุนให้เกิดความสุขดีกว่าดีกว่าไปทำอาชีพที่ไปสนับสนุนให้เกิดความทุกข์เพราะทุกข์นั้นมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้เดี๋ยวลูกเราอาจจะถูกใครเขาหลอกไปก็ได้ถูกเขาจับตัวไปก็ได้หมดแล้วเลยยังไม่มาใช่ไหมโอเค ถ้าไม่มาก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้ช่วงต้นก็พูดได้มากพูดได้ยาวคงเลยไม่มีใครอยากจะถามอะไรก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด